เรื่องภิกษุถูกชิงจีวร517อสสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถีในระหว่างทางพวกโจรออกมาปล้นภิกษุเหล่านั้นพวกเธอคิดว่าการออกปากขอจีวรจากเครือขัดชายหรือครือขัดหญิงพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้แล้วจึงรังเกียจไม่ยอมออกปากขอจีวรเลยเกลยกายไปถึงกรุงสาวัตถีไหว้ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกอาชีวกที่พากันไหว้ภิกษุเหล่านี้เป็นพวกอาชีวกที่ดีภิกษุชาวเมืองสาเกตกล่าวอย่างนี้ว่าพวกกระผมไม่ใช่อาชีวกพวกกระผมเป็นภิกษุภิกษุชาวกรุงสาวัสดีได้กล่าวกับพระอุบาลีว่าท่านอุบาลีนิมนต์ท่านไต่สวนภิกษุเหล่านี้เถิดเมื่อภิกษุเหล่านี้ถูกพระอุบาลีไต่สวน จึงเล่าเรื่องนั้นให้ทราบครั้นไต่สวนแล้วพระอุบาดีแจ้งว่าพวกเปลือกายเหล่านี้เป็นภิกษุจงให้จีวรแก่พวกเธอบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพล น, นาว่าฉนไหนภิกษุทั้งหลายจึงเปลือยกายเดินมาเล่าตามธรรมดาภิกษุต้องใช้หญ้าหรือใบไม้ปกปิดเดินมาไม่ใช่หรือครั้นภิกษุทั้งหลายตาหนิ